เทศในที่ประชุมพระวันที่ที่แปดพฤาคสองพันหา้อณวัดป่าบา้านตาจังหวัดอุรีรัมยีต่างจิตไว้เฉพาะนาอาการฟังเทศไม่ต้องมาสนใจข้างนอกให้ยิ่ยงกว่า ความกำหนดยู่ไหวภายในใจของตนเองมีเป็นการฟังเทศเพื่อให้รู้รสของพระธรรมอย่างแท้จริงภายในจิตใจของตนเพราะการฟังเทศท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าได้รับอนิสงส์ทั้งห้าประการซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ฟังเทศ เอนที่จะเป็นผลไปในการข้างหน้านั้นเรียกว่าเป็นผลถอยได้ต่างหากเพราะเหนั้ น, ร น, นครั้งองค์สมเด็จพระภูมิมีพระภาคเจ้าทรงสแสดงธรรมจึงปรากฏว่าพุทธบริษัทเมื่อได้สดับธรรมจากพระองค์เจ้าแล้วบางรายถึงเขาได้กรับสรู้ใน ที่ต่อประพักของพระองค์เจ้าก็มีจำนวนมากเนื่องจากการฟังเทศโดยตั้งจิตไว้อย่างถูกต้องไม่มุ่งเพื่ออดีตหรืออนาคตอันใดให้นอกเหนือไปจากความรู้ในปัจจุบันที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าเพื่อสะดับ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 ตั้งแต่เริ่มเห็นเทวทูตทั้งสี่เป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงวันได้เสด็จออกไปเสียจริงๆพระองค์เจ้าทรงประกอบกิจันัยที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญพระองค์ปรากฏว่าทรงประกอบด้วยการผนพระไทยอย่างยิ่ง งแต่วันได้เสด็จออกที่แรกจนวันได้ตรัสรู้ปรากฏว่าความสนพระไทยของพระองค์เจ้าต่อสมณ ก, กิจที่พระองค์เจ้าจะทึงได้รับปรากฏว่าสืบต่อกันเป็นลำดับไม่ขาดว่าขาดตอนเป็นไปด้วยความเพียรทั้งนั้นแม้สาวกที่ได้สนับ ทำจากพระองค์เจ้าแล้วก็ม MM ีความสนใจฟังเทศก็ฟังด้วยความสนใจปฏิบัติก็ปฏิบัติด้วยความสนใจเรียกว่าออกมาด้วยความสนใจบวช ด, ด้วยความสนใจฟังด้วยความสนใจเพื่อปฏิบัติธรรมด้วยความสนใจอยู่ด้วยความสนใจไปด้วยความสนใจประกอบจิต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 ไม่ทรงสนพระไทยกับไครๆทั้งนั้นแม้ที่สุดการแผ่นดินที่พระองค์เจ้าทรงปกครองให้บรรดาใกร้ฟ้าประชาชีทั้งหลายได้รับความร่มเย็นเพราะอำนาจแห่งพระวรมีของพระองค์เจ้าก็ไม่ทรงทรงเป็นอารมณ์หรือห่วงใ่ในความเป็นมาของพระองค์ตั้งแต่เขา เจ้เป็นฆราวาสมีความขมัขเมเณรมีความอาถรรพมีความอุดความผลไม่มีใครที่จะยิ่งกว่าพระศ า, าสนาของเราไปได้การกระทำก็ยิ่งฝว่าโลคบรรดาโลกทั้งหลายไม่มีความสามารถจะทําได้เหมือนอย่างพระองค์การเสด็จออกก็ผิดแปกกับ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 พอพระองค์ได้ให้พระโอวาทวารรลุขมูลละเสนาส น, างนังมีซายญาปะปะชาเตยยวะชิวังอุซ่าโหกการณมีอยู่เพียงเท่านี้บรรณาสาวองค์งหลายรู้สึกมีความยิ่นแย้มพออกพอใจพูดง่ายๆก็ว่าโน้นภูเขาโน้นป่าที่โลกพัก โน้นชายเข า, น, น, น, น, น, าน้นซอกห้วยน้นลํธาราน้นเงื้อมผาจงพากันไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเราต ถ, ถาคตได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธทเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยความครุกรีไม่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยความเอื้อกเลืกหา ไม่ตรัสรู้ขึ้นมาเพราะความรื่นเริงบันเทิงตามกระแสะแห่งตัณหาคือความทเยอทยานหรือความเสื่อกคานของตนเองซึ่งเป็นไปเพราะอานาจแห่งชีเลวเป็นเครื่องสุดลากไปเราตถาคตได้ตรัสรู้อยู่ในที่เช่นนั้นได้ประกอบความเพียรอยู่ในที่เช่นนั้นในอุตสาห์พยายามตีจากบรรณาบริษัทบริวารทั้งหลายจากปราสา์หรือจาก บ้านจากเมืองมาสู่สถานที่เช่นนั้นสถาคตทุกก็ทุกเพื่อความเพียรอยู่ในที่เช่นนั้นสถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในหอประสาทสถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในทางทางสามแพร่งสีแพร่ ง, งสถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในร้านตลาดพระตถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในถ้ำกลางแห่งสูงชน ราตาคตได้ตรัสรู้ในที่อนเงนียบในที่สงัดในที่มีมีเวศในที่ไม่ปราศจากสูงชนซึ่งจะมาทุ้ ง, ง้่านพระองค์ราตถาคดราตถาคตได้ถึงความบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะสถานที่เช่นนั้นเ็รา็เห็นนั้ น, ข อ, น, นขอให้เธอทั้งหลายจงไปที่ที่ราตถ า, าคดที่บอกวันนั้นภูเขา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 ถ้าเธอพวกเธอทั้งหลายต้องการเป็นผู้หมดจดพ้นทุกข์ไปตามเราสถาคตแล้วจงไปอยู่ตามสถานที่ที่เราสถาคตที่บอกอนุสา์พระองค์เจ้าได้ทรงประกาศหรือทรงประทานไว้อย่างนี้ให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้ระดับได้รับเอาเดิอความพออบพอใจอย่างเต็มที่มินิยาโลปโธทนังก็เช่นเดียวกัน บินธมาศแ้วพวกเธอทั้งหลายอย่ามาบวชในพระศาสนาแ้วเธอทั้งหลายอย่าทึกความเกียรติการเบินธมาศมาฉันได้มาด้วยกําลังฟรีแข้งของตน ด, ด้วยความบริสุทธิ์ใจบรรดาจัาดฐานญาติรวมทั้งหลายก็ให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจเราไปบินธมาศมาฉันตามอริยปรเพณีหรือตามสมณะปรเพณี ซึ่งปราะศะจากการซื้อการขายการทำไร่ทำนาทำรัวทำสวนเหมือนอย่างประชาชนเป็นผู้บวชเข้ามาในพระศาสนาจงถือการบิณฑบาตเป็นจิจวัรประจำเรียกว่าเป็นทางแห่งอาชีพของเธอทั้งหลายจงอุตสาหพยายามทำอย่างนั้นตลอดชีวิตแม้หากว่าทาบเพื่อเฟือซึ่งจะพึงเกิดพึงเกิดพึงซึ่งจะพึงเกิดขึ้นก็เห็นว่าเป็นคราวเป็นสมัยที่จะ ถึงสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาร์แต่ยาทําตนของตนให้มีความประมาทในราบส ก, การะทั้งหลายเมื่อได้ทําความประมาทในราบส ก, การะแล้วจะกลายเป็นว่าส ก, กาโรปุริสังหันติราบส ก, การะย่อมฆ่าบุรุษผู้โง่ให้คิบหายหรือให้ตายไปเสียาาพระธาตท่านที่บอกอย่างนี้ ในข้อที่สามหรือข้อต้นว่ากีบอนถึงหาสแสวงหาเอาตามป่าชา้าหรือทางที่ในสถานที่ใดๆก็ตามซึ่งเขาทอดทูละในความเป็นเจ้าของแล้วให้จักมาปฏิปะตะแล้วประทุนพอได้ รองชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งแม้ข้าปติจีวรที่เขาถวายด้วยมือเขาไม่คุ้นปฏิเสธเพราะเราเป็นคนขอทานเป็นคนเลี้ยงง่ายถึงรับมาบริโภคใช้สอยเท่าที่จะเป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งที่ลานัจปัยก็เหมือนกันคือยาแก้ไข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 น้ำสายใจศรัทธาอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอให้ยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นมีความสนใจต่อความภาคความเพียรมีความสนใจต่อการประพฤติธปฏิบัติและมีความสนใจในที่วิเวกสงัดซึ่งไม่พุชั่นด้วยฝูงทนมีความเพียรติดต่ออยู่อย่างนั้นตลอดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอน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 ว่าได้ศึกษาเร่าเรียนมามากก็ดีสามกทั้งหลายไม่ยอมให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้าไปเครือบแฝงในจิต ใ, ใจได้นอกจากจะมีความสนใจใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะยกจิตของตนให้พ้นจากทุกไปําดับโดยลำดับลา ด, ด, ด, ด, ดับเท่านั้นจนปรากฏได้ตรัสรู้ตามพระองค์เจ้านับตั้งแต่องแรกจนกระทั่งถึงองค์สุดท้าย ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านในปฏิบัติหรือดำเนินมาอย่างนั้นขอให้บรรดาเราทั้งหลายได้นำเรื่องของพระพุทธเจา้าและประวัติของสาวกซึ่งท่านดำเนินอย่างใรจึงได้ผลเป็นที่พึงพอใจปรากฏเป็นที่เด่นเก็บโลกทั้งหลายให้ได้นับสาระบูชานับตั้งแต่เทวดาจนกระทั่งถึงมนุษย์ทุกท่านไม่มีใครที่จะมีความรู้ความสามารถความฉลาด ความประเสริฐเลินโลกยิ่งกว่าพระพุธทธเจ้ากับพระธรรมเนี่ยพระสงค์ไปได้นี่ธรรมชาติที่ประเสริฐเกิดขึ้นมาจากการกระทําที่ประเสริฐความรู้ที่ประเสริฐก็เกิดขึ้นมาจากการกระทําที่ประเสริฐขอให้บรรดาเราทั้งหลายพึงทราบไว้อย่างนี้ความทอดแท้อ่อนแอลความเห็นแก่ป่ากแก่ท้องความเห็นแก่หลับแก่นอน ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเสริฐพอที่จะสามารถยังทําอันประเสริฐให้ปรากฏขึ้นในมโ น, าานทวารคือหัวใจของเราได้ให้เราท้องเทียบถึงเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสามวกมาไว้ที่ดวงใจของเราเสมอไปการเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนทุกๆอาการของเราที่เคลื่อนไหวในเอียบททั้งสี่เพึงเป็นผู้มีความสนใจใคร่ต่อเหตุผลและสนใจในความเคลื่อนไหวของตนตลอดเวลาอย่าให้ ค้องแวะในสิ่งใดๆที่จะเป็นไปเพื่อความนน้มน้าที่จะเป็นไปเพื่อความเป็นมนุิน์แก่กายวาจาใจของตนจงเป็นผู้มีความสนใจใครต่อความเวทเวทใครต่อความภาคความเพียรใครต่อความอยู่คนเดียวทั้งเรื่องกายทั้งเรื่องจิตใจสองกับความเพียรลึกเท่านั้นให้เป็น ผู้มีความเพียรอยู่อย่างนี้มีเข็มทิดหรือความมุ่งมั่นตั้งไว้เพื่อความพ้นทุกข์ทุกข์กขณะจิตหรือทุกข์ทุ ก, ทกิยาบทที่เคลื่อนไหวผลที่จะพึงได้รับจะนีจากความเป็นเช่นพระพุทธทเจ้าและสาวกไปไม่ได้เพราะทางเป็นทางสายเดียวกันสำมาทิสติสัมมาสังกโปรพระพุทธทเจ้าไม่ทรงประทานไว้เพื่อขัดนอกจากจะประทานไว้เพื่อเรา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 การฟังธรรมในครั้งพุทธการตามที่อธิบายให้ฟังแล้วเบื้องต้นฟังด้วยความสนใจจริงๆฟังแล้วก็ฝังลงที่จิตไม่เชื่อไม่ใช่ว่าฟังแล้วปล่อยให้เลี่ยนลาดหรือสักแต่ว่าเป็นพิธี ม, มาสมัยทุกวันนี้ไม่ว่าใครๆแม้แต่เราผู้ที่เป็นนักบวชยู่นบัดนี้ก็ยังจะกลายเป็นพิธีถ้าหากว่าเราไม่สนใจ หรือมีความมุ่งมั่นต่อความพ้นทุกโดยเต็มที่แล้วกิริยาอาการที่ทํามันจะกลายเป็นพิธีโดยไม่รู้สึกตัวเดินจงกรมก็พอเป็นพิธีตามเ ว, าเวลาที่เราทำแท่นั้นแต่เรื่องของจิตจะสัมพยุดด้วยความทภาคความเพียรที่ตนมุ่งไว้บ้างหรือเปล่าข้อนี้เป็นข้อที่สงสัยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงปรากฏขึ้นมาให้เราได้รับก็กลายเป็นอื่นไปได้ข้อเหตุใด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 เตนาเบื้องต้นว่าเราทําความเพียรเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไปตําหนิปิดโทษพระศาสนาว่าธรรมะธรรมสังสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นนิยานนี่กระทํำคือไม่สามารถที่ยังบุคคลผู้ประพฤติทำให้พ้นจากทุกข์ใต้จริงสมกับที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ว่าสวัสดิธรรมคือธรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วนี่แท้ที่จริงกระแสะแห่งใจของเราตลอดทั้งวันทั้งคืน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 แทนที่เราจะเดินจงกรมให้สัมพยุดด้วยสติสัมพยุดด้วยความเพียรสัมพยุดด้วยบทธรรมหรือสภาวะที่เราเคยพิจารณาจิตกลายเป็นอื่นไปเสียส่งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเครื่องสัมผัสแม้ธรรมอารมณ์ภายในใจเกิดขึ้นปรงขึ้นก็ปรุงขึ้นไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสทั้งที่เป็นส่วนอดีตและยังมุ่งในส่วนอนาคตไม่ปรากฏจิตเป็นปัจจุบันสักครั้งสักทีเลยอย่างนี้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 เพราะฉหนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักปฏิบัติพึงเป็นผู้มีเข็มทิศ ต, ตั้งไว้เสมอกับความเคลื่อนไหวไกายวาจาใจของตนอยากให้มันเคลื่อนข้า ด, ด้วยความมีสติเข็มทิศที่ตั้งไว้ในเบื้องต้นคือมุ่งความพ้นทุกพระองค์เจ้าสอนอย่างไรตามที่อธิบายแล้วเบื้องต้นโน้นที่สังกัดโน้นที่อีเทันไม่สอนคำว่านั้นตลาดนั้นถนนสี่แพร่งสามแพร่งจงเข้าไปกลางกดกลางมุ่งอยู่ในฐานที่นั้นพระองค์เจ้าไม่ได้สอน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 เป็นเรื่องที่อาาัศจรรตั้งแต่ประโยคเบื้องต้นคือการกระทาซึ่งเป็นตัวเหตุก็เป็นของพระเสริฐหรือเป็นของแปลกฝ่าบรรดาเราทั้งหลายอยู่แล้วผลจะไม่แปลกประหลาดได้อย่างไรเราให้เราคิดอย่างนี้ศาสตา ที่ท่านเป็นครูสอนเราในเบื้องต้นก็ดีอันดับต่อมาก็คือก็ครูบาอาจารย์เป็นผู้ท่ามสอนเราทั้งสองอาจารย์นี้เป็นอาจารย์นอกท่านจะสอนไม่เป็นบางการบางสมัยสำคัญที่สุดตนของตนต้องเป็นครูสอนตนเอง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 พ้นไปไม่นา้หลักของสติหลักของปัญญาหลักของความเพียรเป็นรั้วกัน้นหรือเป็นธรรมประกันไวแล้วขอแต่เราดำเนินในกรอบแห่งศีลแห่งสมาธิแห่งปัญญาด้วยความเพียรของเราเราจะเห็นแดนทนทุกข์ขึ้นจากหัวใจของเราโดยไม่ต้องไปถามใคร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 ไม่มีสติเราตั้งเมื่อไรก็ปรากฏเมื่อนั้นปัญญาก็เหมือนกันไม่ใช่เป็นของที่จะหาค้นคายมาจากที่ไหนให้ยังลํำบากยากเย็นเหมือนอย่างเราไปแสวงหาวัตถุภายนอกมีใกล้บ้างไกลบ้างไกลบ้างตามมั่งสูงบ้างเป็นของลำบาะส่วนเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญา มีโยกับหัวใจของเราถ้าเป็นนักพยายามตั้งสติอยู่เสมอพยายามค้นคว้าด้วยปัญญาในสภาวะธรรมมีกายของตนเป็นต้นอยู่เสมอความรู้สึกแปลกป ร, กระหลาดความเ ย, ยี่ยมไพเรื่องสติเรื่องปัญญาจะค่อยมีความ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 ประจักกับใจของเรานั้นสำคัญที่สุดขึ้นอยู่กับความเพียรในบางตนก็ขึ้นอยู่กับการสะดับกบฟังจากครูจากอาจารย์มีเฉพาะนักปฏิบัติของเราไม่ได้พูดทั่วไปเมื่อเราได้ฟังโอวาจากท่านโดยถูกต้องแล้วนำคำสอนจากท่านไปประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจ พุตสาพยายามบำรุงสติและปัญญาของตนให้มีความรอบตัวอยู่เสมออย่างไรก็ต้องเป็นไปเพื่อสมาธิคือความมั่นคงของใจจะเป็นไปเพื่อความเฉลียวฉลาดในทางปัญญาขึ้นท้วเหตุแห่งการพิจารณากายของเราหรือพิจารณาเวทนาจิตธรรมของเรา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 สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมีหลายชั้นสัมมาทิฏฐิโทษทั่วไปสำหรับผู้ใค่ต่อพระศรสราสนาได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนก็เป็นทัน้นชั้นสัมมาทิฏฐิในวงปฏิบัติคือวงนัก บ, บวชของเราผู้ตั้งหน้าต่างตาที่จะปุดคน้นด้วยปัญญา ในสภาวะทั้งหลายให้เห็นแจ่มแจ้งขึ้นในภายในจิตใจของตนสมาทิฏฐินี้ก็จะแปลสภาพขึ้นสู่ความละเอียดแม้จะเป็นคราวาสก็ตามถ้าเป็นผู้ไข่ต่อหลักธรรมพินิ้พิจารณาในองค์แห่งอริยสัจจะทมนี้แล้วสมาทิฏฐิไม่ขึ้นอยู่กับคราวาสหรือไม่ขึ้นอยู่กับนักบวชใดๆทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัต ขึ้นอยู่กับผู้นําไปพินิพิจารณาสมาทิฏิความเห็นชอบเราเห็นว่ากายของเรา this เป็นก้อนทุกข์ทั้งกายหรือทั้งท่อนก็เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นไม่เที่ยงเพราจักกับายของเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ส่วนหยาบจนถึงขั้นละเอียดก็จัดเป็นสมาทิฏฐิแต่ตามขั้นของสมาธิฏิความเห็นชอบเห็นชอบส่วนหยาบพิจารณาส่วนหยาบเห็นชอบส่วนกลาง เกิดขึ้นจากการพิจารณาส่วนกลางเห็นชอบส่วนละเอียดเกิดขึ้นจากการพิจารณาสภาวะส่วนละเอียดนี่จัดเป็นสมาทิฏิเป็นชัช้นๆขึ้นไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าสัมมาทิฏิจะมีเพียงทั้นเดียวถ้าสัมาทิฏิมีชั้นเดียวแล้วปัญญาจะมีหลายชั้นไปไม่ได้แต่นี่เพราะเหตุใดปัญญาจึงมีหลายชั้นเพราะกิเลสมีหลายชั้นปัญญาก็ต้องมีหลายชั้นอ เ, อเพราะเหตุ น, นั้นสัมาทิฏฐิจึงมีหลายชั้น สัมมาสังกปก็เหมือนกันให้เึงทราบอย่างนี้ทาาวว่านกล่าวไว้ย่อๆว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อกล่าวเป็นสัมมาทิฏฐิส่วนละเอียดแล้วเห็นชอบในส่วนทุก์หรือรู้ชอบในส่วนทุก์รู้ชอบในในส่วนสมุ ท, ทัยรู้ชอบในส่วนมรัส รู้ชอบในส่วนนี้แล้วมีเรียกว่าสมาทิฏฐิส่วนละเอียดสังมาสังกัปปะก็คุณเทียบกันได้อย่างนี้เป็นชั้นๆเหมือนกันสัมมาวจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวก็เป็นชั้นๆมีสามชั้นสามชั้นเหมือนกันสัมมาวจากล่าวทอบธรรมดาสามัญทั่วๆไปก็จักว่าเป็นสัมมาวาจา สัมมาวาจาที่ที่ชอบยิ่งสำหรับธรรมะของเราแล้วกล่าวถึงเรื่องสันเลขคถากล่าวถึงเรื่องความมากน้อยกล่าวถึงเรื่องความสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดแห่งปัจจัยทั้งหลายกล่าวถึงเรื่ององสังขคณีกาความไม่ครุกคลีวุ่นวายกับใครๆทั้งนั้น ย e ิเวกตากล่าวถึงเรื u, ่องความสั่ง uh, ัดว okay. ิริยาลัมพากล่าวถึงเรื่องการประกอบความภาคความเพียรกล่าวถึงเรื่องศีลกล่าวถึงเรื่องสมาธิกล่าวถึงเรื่องปัญญากล่าวถึงเรื่องวิมุตติและกล่าวถึงเรื่องวิมุตติยานัทนะความรู้เห็นความบุดพ้นของตน นี่เรียกว่าเป็นสมาวาจาที่ชอบแท้เป็นสมาวาราส่วนละเอียดกล่าวนั้นไม่ใช่กล่าวเฉยๆกล่าวลำพันธ์กล่าวดำผึ่งกล่าวด้วยความสนใจใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติในสันเลขธรรมซึ่งเป็นธรรมขัดเครื่องขัดเก้ขัดกลากิเลสให้หมดไปจากใจของตนจริงๆนี่เรียกว่ากล่าวด้วยความสนใจ กล่าวด้วยความพอ อ, อกพอใจใคร่ที่จะประพฤติปฏิบัติหรือใคร่ที่จะนําธรรมะทั้งจิตประการนี้ให้เข้ามาเป็นสมบัติของตอ น, นสัมมารกรรมันโตก็การงานชอบเดินจงกรมก็เป็นการงานชอบบินธบาตมาขบมาฉันก็เป็นการงานชอบนั่นเป็นชอบประเภทหนึ่งการงานชอบที่แท้จริงการเดินจงกรมการนั่งสมาธิ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 การกระทำเราทาผูกผูกผู้ถูกคิดถูกเรียกว่าเป็นสัมมารรมันตะการงานชอบสำหรับพวกพวกเราให้เป็นโอปนยิโกเสมอไปในธรรมะทุกบททุกบาทที่ได้นำมาแส ด, แสดงยาพึ่งทราบว่าท่านสอนใครให้พึ่งทราบว่าสอนเราคนเดียวแล้วก็ น, น้อมเข้ามา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 การฟังธรรมะให้ฟังอย่างนี้ให้น้อมเข้ามาอย่างนี้ในธรรมะทั้งหมดในเมื่อผู้ฟังฟังด้วยความเป็นธรรมผู้เทศเทศด้วยความเป็นธรรมแล้วแจกลาวธรรมะที่ตาสุดเท่าไหร่ก็ตามก็เป็นธรรมะที่สูงสุดได้แจกลาวธรรมะที่สูงหรือปานกลางก็กลาวเป็นธรรมะที่สูงเป็นเครื่องบำรุงน้าใจของผู้ฟังเป็นประโยชน์สาหรับผู้เทศมุ่งด้วย ความเป็นธรรมแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหายทั้งสองฝ่ายไม่เป็นการผิดเพราะหลักธรรมทั้งหลายเป็นการสอนบุคคลให้พ้นจากความผิดไปทางนั้นแม้จะกราดทําขั้นยากที่โลกสมมุตินิยมว่าไม่ดีเป็นเครื่องแสลงหูแสลงใจก็ตามแต่หลักธรรมชาติของธรรมะที่เห็นว่าที่ว่าต่ำต่ำนั้นเป็นสิ่งที่บรรดาสัตทั้งหลายผู้ขยะแขยง อยู่ด้วยการไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินกระทำกันอยู่ทั่วแผ่นดินนี่ให้เราพิจารณาได้อย่างนี้พิจารณาให้ทราบชัดอย่างนี้เพราะนั้นการแสดงธรรมจะเป็นการแสดงสูงต่ำก็าตามเมื่อผู้แสดงมุ่งเพื่ออัดเพื่อทำแก่บรรดาท่านผู้ฟังหรือมุ่งประโยชน์แก่บรรดาท่านผู้ฟังแล้วบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายพึงน้อมให้เป็นโอปนายโกเป็นเครื่องค้ามถอนตนเองอย่าเห็นว่าท่านสอนใคร หรือตำหนิติดโทษบุคคลผู้ใดใครทั้งนั้นให้เห็นว่าความผิดจะเป็นส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดเป็นของที่มีอยู่กับกายวาจาใจของเราด้วยกันทุกทุกท่านและเป็นผู้ผ่านไปด้วยกรรมประเคตนี้เหมือนกันหมดในโลกอันนี้มีอธิบายถึงเรื่องสัมมารกรมรมันต์การงานชอบเป็นชั้นๆเขาทามาหาเล่องขีพก็จัดว่าเป็นการงานชอบในชั้นนั้น เราเดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนาพิจิตรณาแก้ไขตนทังตนออกจากสิ่งมัวหมองคือกิเลสอาสวะก็จัดว่าเป็นสัมมากรมมันตส์สัมมาสัมมาอาชีโวเลี้ยงคีบชอบเลี้ยงอย่างไรเลี้ยงคีพก็มีหลายชั้นเราไม่ได้ฉกได้ลักต้นสะดมของไข่ๆหาได้มาอย่างไรก็ตามกําลังความสามารถของเราที่หามาได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง วันหนึ่งวันหนึ่งหรือจนได้ซื้อได้ขายมากมายเท่าไหร่ก็ตามในเมื่อหามาด้วยความชอบธรรมก็เรียกว่าสัมมาอาชีวะแต่ย่นข้ามาอีกให้เป็นสัมมาอาชีวะส่วนละเอียดให้สมกับเป็นผู้มุ่งต่อธรรมอันละเอียดแล้วสัมมาอาชีวนี้หมายถึงเลี้ยงขีด บ, บำรุงจิตใจของตนด้วยความเป็นธรรมอย่านําโลกซึ่งเป็นยาพิษเข้ามารังควานหัวใจ ตากระทบสูบหูกระทบเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสทุกๆุกทิ้นทุกๆุกอย่างให้นพิจารณาเป็นธรรมเสมอไปความพิจารณาเป็นธรรมจะนําอาหารคือโอชารสแห่งธรรมนั้นเข้ามาหล่อเลี้ยงหัวงใจของเราให้มีความชุ่มชื่นด้วยควา ม, า ม, ม, มสงบให้มีความชุ่มชื่นด้วยความเบิกบานยินมแย้นแจ่มใสให้มีความชุ่มชื่นด้วยความเฉลียวฉลาดด้วยสมาธิด้วยปัญญาของเรา มีเรียกว่าการเลี้ยงขีดชอบเลี้ยงชีพอย่างนี้เป็นชั้นหนึ่งคือไม่ทำใจของเราหรือไม่แสดงใจไม่แสดงหาอารมณ์ที่เป็นพิษมาสังหารจิตใจของตนเองมารังควานจิตใจของตนเองให้มีตั้งแต่ทาเป็นเครื่องหน่อเลี้ยงเสมอกระทบตาตากระทบตาหูจมูกิีนกายกระทบทูกเสียงสลิ่นลดเครื่องสัมผัสให้พิจารณาเป็นธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงหัวใจ อยาพิจารณาให้เป็นเรื่องของโลกอยากพิจารณาให้เป็นเรื่องอยาพิษเข้ามาเบื่อตอนเองเข้ามาตั้งหารตนเองนี่เรียกว่าสัมมาอาชีวสัมมาวายามโมเพียรชอบท่านบอกว่าเพียนในที่สในที่สีสถานคือว่าพยายามระวังอย่าให้ความเศร้าหมองเกิดขึ้นภายใ น, ในกายมาจาใจของเราได้ความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นมาแล้วพยายามแก้ไขให้ได้ แล้วสิงส่งงามความดีหรือความสงบของใจความแยบคายของปัญญาซึ่งเคยเป็นของที่มีอยู่แล้ภายในจิตใจของเราพยายามรักษาไว้ให้ดีอย่าให้สมาธิเสื่อมอย่าให้ปัญญากลายเป็นเรื่องความโงกเขลาไปนี่แล้วพยายามระวังรักษาอยู่รอบด้านไม่ให้เสื่อมสูญไปในส่วนธรรมะ ตั้งแต่ขั้นสมาธิทุกๆขั้นจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นยาบจนถึงขั้นสูงสุดไม่เสื่อมไม่หายไปจักษจิตใจให้เป็นสมบัติอันได้แล้วเสมอไปแล้วสามพยายามหาสมบัติใหม่เข้ามาเพิ่มเสมอนี่ท่านเรียกว่าส ม, มาวายามะเพียรในในที่ศีรสถานเนี่ยอธิบายถึงเป็นธรรมตาโดยมาก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 เป็นตัวเศร้าหมองผ่องใสอยู่กับนี้ทั้งนั้นธรรมมาสติให้ตั้งสติตามประโยคความเพียรของตนตนได้บำเพ็ญเพียรได้ถืออันใดเป็นอารมณ์พิจนารณาในสภาวะธรรมอันใดให้มีสติอยู่รอบด้านเรียกว่าธรรมมาสติรอบทุกอาการที่เคลื่อนไหวของกายวาจาใจของเราเรียกว่าสมมาสติ สมาสมาธิเรียกว่าสมาธิที่ชอบธรรมเป็นอย่างไรสมาธิที่ชอบธทำนั้นส้ำประยุทธ์ด้วยปัญญาไม่ใช่สมาธิอย่างหัวต่อหรือไม่ใช่สมาธิอย่างติดแน่นทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมพิจารณาในทางด้านปัญญาเห็นว่าสมาธินี้เป็นธรำเล่ทำประเสริฐจนเกิดความตำหนิติโทษในปัญญาหาว่าเป็นของเก๊ไปเสียสมาธิประเภทนั้นเรียกว่ามิจฉาสมาธิ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 รวมลงไปแล้วเหมือนกับหัวต่อไม่มีความรู้สึกสมาธิประเภทนี้พึงพยายามละเว้นให้ห่างไกลแม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยาให้ต้องพยายามผลักดันออกพยายามแก้ไขเจียใหม่สมาธิที่เรียกว่าเป็นสัมมานั้นที่ชอบนั้นเป็นสมาธิที่เป็นไปกับด้วยบทแห่งธรรมหรือเป็นประกอบด้สภาวะธรรมมีความรู้สึกสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับบทใดธรรมบทใดบทหนึ่งก็ตามหรือสภาวะธรรมส่วนใดตนหนึ่งก็าตามจิมา ต, านนาตาดได้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 สติกับปัญญาให้เป็นธรรมทัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปเสมอในทางด้านสมาธิอย่าปล่อยให้สมาธิเดินเหินไปอย่างไม่มองหน้ามองหลังไม่คํานึงถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นรวมได้ทั้งวันก็ตามได้ทั้งคืนก็ตามเห็นว่าตัวประเสริฐตัวเลิศโลกเพราะอํานาจแห่งสมาธิมีธรรมแค่เดียวเท่านี้เป็นธรรมที่จะสามารถพ้นทุกไปได้ถ้าเราคิดอย่างนี้โดยที่เดียวก็จะปราบเป็นมิจฉาสมาธิขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วนี่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 เนคขมัติคิดไปทางออกเสมอปรุงเรื่องอะไรก็ปรุงเพื่อแก้ไขตนเองคิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็คิดเพื่อจะแก้ไขตนเองแม้จะปรุงเป็นเรื่องตสมุทยขึ้นมาเรื่องสัมมาสังกปะคือความดำดิ่ชอบให้ตามกันเสมอตามเพื่อความเจ้าออกจากทุกข์ในวัฏฏสงสารนี้เสมอไปนี่ ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิพึงทราบว่าเป็นธรรมหลายชั้นแล้วแต่บุคคลผู้จะนำไปประพฤติปฏิบัติกลายเป็นธรรมชั้นนั้นๆขึ้นมาด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนเองและทำทั้งตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี้ไม่เลือกม่าเป็นนักบวชหรือคารวะแม้จะเป็นธรรมทุกๆุกชั้นในบรรดามมากทั้งแปดนี้ก็ดี ก็ไม่ยมมากใครใครผู้ใดเป็นผู้สามารถนำมรรคทั้งแปดนี้เข้าไปบำรุงเข้าไปรักษาเข้าไปประพฤติปฏิบัติในการวาจารยของตนแล้วผลที่จะพึงได้รับจากมรรคทั้งแปดนี้คืออะไรท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าวิมุตติวิมุตติยาทัศนะศีลก็มีอยู่ในมรรคนี้สมาธิก็มีอยู่ในมรรคนี้ปัญญาก็มีอยู่ในมรรคนี้ืมเคราะหกจะย่อว่า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 อพราะนาจแห่งมากคือศีลสมาธิปัญญานี้แล้วกลายเป็นวิมุตต์ความบุดพ้นขึ้นมาที่หัวใจของเราผู้นั้นเ <c oughs> มื่อวิมุตต์คือความบุดพ้นได้ปรากฏขึ้นแล้ว <c oughs> ความรู้ <c oughs> ความเห็นในความบุดพ้นก็ปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันนั่นเองนี่ท่านเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะแต่บรรณาท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่าพึ่งเห็นว่าวิมุตต์คือความบุดพ้นกับวิมุตติยาณัศนะนี้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 ทั้งรู้ทั้งเห็นในความบุดพ้นของตนได้ปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันแต่ท่านก็แยกประเภทว่าขวานนี่ถ้าจะเทียบว่าขวานว่าไม้อเห็นกับรู้อตาก็เห็นไม้ที่ขาดเพราะอํานาจของขวานใจก็รู้แ ท, ท้จริงตากับใจกับความรู้นั้นมันขึ้นในขณะเดียวกัน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 และไม่ได้ถือยึดมั่นถือมั่นว่าวิมุตติวิมุตติยาทัศนะว่าเป็นตนเป็นของตนเห็นตามเป็นจริงวิมุตต์ก็ต้องเป็นวิมุตต์อยู่แค่นั้นจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ศิญ <Oil. S 2> สมาธิปัญญาก็ต้องเป็นศิญสมาธิปัญญาอย่างนั้นจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้อีกเหมือนกันมีต่างอันก็ต่างจริง <ot. S 2> เครื่องมือก็ก็จริงอยู่สนับเครื่องมือจริงที่รับเป็นผลจากเครื่องมือก็จริงอยู่ก็อยู่เฉพาะจิ่งที่เป็นผลอันปรากฏขึ้นจากเครื่องมือ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 ยกองค์สมเร็จพระภูมีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นบรมศสรัสดาและเป็นชนะองค์แรกพระองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกมาเป็นแนวทางให้พวกเราทั้งหลายได้ขีเขยมคิดคือข้อปฏิบัติดัด ก, การวาจาใจั้งงุนให้เป็นไปตามแถวนั้นๆโดยไม่ลดละผลที่จะพึงปรากฏ อย่างไรเราทั้งหลายไม่ต้องสนสัยว่าเมื่อศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ของใครแล้วเรื่องยิมุติมุติยาธาัศนะอันเป็นตัวผลเกิดขึ้นจากศีลสมาธิปัญญาจะเป็นของใครได้แล่วนอกจากจะเป็นของเราคนเดียวผู้พฤติปฏิบัติด้วยความสนใจเท่านั้นยิมุติเรียมุติยาธาัศนะซึ่งเป็นตัวพระนิพพานนั้นจะไม่ใช่ของใครเป็นของพวกเรา